ทีนี้ถ้าอย่างอริยมรรณะถ้าไม่ประชมระดับโสดาปฏิมร์บรรลุไม่เอถ้าไม่ประชมระดับปฐมฌานบรรลุไม่ได้เพราะว่าแม้กระทั่งโคตรภูญานเนี่ยนะโคตรภูยานเนี่ยซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ไม่เป็นอัปปนาจัางบรรลุไม่ได้ทั้งๆที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะยังตัดกิเลสไม่ได้ขณะนั้นยังไม่เชื่อว่าแทงตลอดอริยสัจแต่เมื่อเป็นอัปปนาระดับปฐมฌาน จึงจงแทงตลอดอริยสัจแต่ทีนี้เราเราศึกษาพระธรรมเนี่ยอย่างที่กล่าวว่าเราทําไม่ได้ก็อย่าพึ่งปฏิเสธแล้วก็น้อมใจไปว่าเราคงจะทําได้สักวันหนึ่ ง, งนะก็ถ้าเรายังเจริญไม่ได้ก็ตั้งอัธยาศัยไปก่อนไม่ใช่ว่าสิ่งไหนเราทําไม่ได้ก็ปฏิเสธไปซะก่อนเลยนะที่เรียกว่าเอาเราไปเป็นมาตรฐานมันคงไม่ใช่มั้งแล้วถาม เพราะว่าไม่รู้จริงๆอ่ะท่านเคยอา่ยานพระไตรปิฎกตั้งสีิบห้าเล่มท่านเจอไหมครับศีลของคฆราวาสกับศีลของพระภิกษุไม่เหมือนกันจริงหรือเปล่าคือในแง่ว่าถ้าในแง่การครองชีพไม่เหมือนกันแต่ท่านในแง่สาระเหมือนกันคือศีลทั้งหลายเนี่ยนะคืออะไรคือกายสมาจารที่เป็นกุศลวจีสมาจารที่เป็นกุศล เหมือนกันในตรงนี้เหมือนกันแต่ว่านายรายรายรายละเอียดของสิกขาบทไม่เท่ากันแต่ว่าสาระต้องเหมือนกันเพราะว่ า, าถ้าพิสูตรุ่นแรกๆเลยเนะไม่มีวินยัยหมายคําว่าไม่มีวินัยปิดกเลยเพราะท่านเหล่านั้นมีกายสมาจารที่เป็นกุศลวจีสมาจารที่เป็นกุศลท่านไม่ล่วงสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยนะเมื่อล่วงไม่ล่วงสิ่งที่เป็นอกุศลพระพุทธเจ้าเลยไม่บัญญัติเทววินยัย เมื่อพรรษาสักพรรษาแปดที่พระองค์จำพรรษาที่เมืองเวรัญชาเนี่ยนะภาษาเออพรรษาสิบสองไปพรรษาสิบสองพระองค์จำพรรษาที่เมืองเวรัญชาภาษาริบบทไปอาราธนาให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติพระวินัยพระพุทธเจ้าบอกว่ารอก่อนสาริบุตรจงรอก่อนสาริบุตรถ้าอาสวัตฐานยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในหมูลสงยังไม่บัญญัติวินัยเนี่ยนะ พันธะวินวันยเนี่ยเกิดมาตอนล้งหลังแต่ถามว่ามรรคผลเนี่ยเกิดมาตอนแรกๆหรือว่าเกิดตอนหลังละนะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่ามากับสปะไปทูลพระผู้มีพระภาคว่าเพราะเหตุใดเ น, นาะแลสมัยก่อนศิกษาบทก็ น, น้อยผู้บรรลุมรรคผลเนี่ยมีมากตอนหลังสิกษาบทมีมากผู้บรรลุมรรคผลมีน้ยอยนะนะก็เพราะว่ากิเลสนันแหละหรืออินทรีย์มันไม่เท่ากันนั่นแหละซึ่งอย่างที่ อ่นะขอย้ำอีกครั้งว่าศีลคืออะไรคือกายสมาจารที่เป็นกุศลวาจีสมาจารที่เป็นกุศลถ้าสมถะคืออะไรคือมโนสมาจารที่เป็นกุศลเด่นนะก็คือสุดจริตสามทางกายวาจาและใจเพราะฉะนั้นจะอยู่ในสีส่ศีลมากศีลน้อยขนาดไหนก็ตามสาระสําคัญอยู่ที่ว่ากายสุดจริตวาจีสุจริตและมโนสุดจริตความจริงแล้วอยู่ตรงนั้น สจริตสามนั่นแหละประกาศถึงความไม่มีอภิชาพยาบาทและมิชาทิฏฐิเนี่ยนะก็คงแยกธรรมะนี่ค ง, งเข้าใจว่าคงแยกพอแยกได้แล้วนะว่าตัวสาระของการปฏิบัติอยู่ที่ไห น, นอยู่ที่อาชีวมัธกษศีลศีลมีอาชีพเป็นที่แปดถ้าวินัยปิดกทั้งหมดเนี่ยก็คือเอาศีลมีอาชีพเป็นที่แปดแล้วมาขยายให้มันละเอียดขึ้นนะมาขยายให้ละเอียดขึ้นเท่านั้นเอง แต่โดยสาระแล้วก็ไม่ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะจะเป็นคารวาสเป็นพระพิสุเป็นอะไรจึงไม่ต่างกันอ่าคําว่าไม่ต่างกันเนี่ยไม่ต่างกันยังไงไม่ต่างกันโดยการบรรลุมรรคผลบางแห่งได้กล่าวไว้เลยว่าความหลุดพ้นแห่งคารวาสที่นุ่งนุ่งผ้าแบบคารวาสเนี่ยนะกับพระพิสุที่หลุดพ้นมาไม่มีความต่างกัน ถ้าสารีบุตรบรรลุเป็นความถึงความเป็นพระอรหันต์กับพระเจ้าสุดโททนะในความเป็นพระอรหันต์ไม่ต่างกันเนี่ยนะในในความบริสุทธิ์นะนั้นก็อย่างที่ว่านะว่าโดยย่อๆนะข้อยุติคืออะไรลงในริยะสักําจัดราคาโทสะโมหะลงในธรรมดาคือปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นอันนี้คือข้อยุติละเนี่ยนะแต่ถ้า พระพิสูจน์เนี่ยนะที่จำเป็นต้องรักษาพระวินัยเยอะเนี่ยเหตุผละนะดูความพิสูน์ทั้งหลายเราจักบัญญัติศิกษาบทแก่พวกเธอทั้งหลายเพราะอำนาจประโยชน์สิประการหนึ่งเพื่อรับว่าดีแห่งสงฆ์สองเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์สามเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากะนะเพื่อให้พิสูจ ผ, ผู้มีศีลอันเป็นที่รักอยู่อย่างผาสุกเนี่ยนะเพื่อ ความเลื่อมสายแห่งประชุมชนที่ยังไม่เลื่อมสเพื่อความเลื่อมสายยิ่งของชุมชนที่เลื่อมสายแล้วเพื่อกำจัดอาสะวะที่มีในปัจจุบันเพื่อกำจัดอาสะวะที่จะมีในสัมปราย이พบเพื่ อ, อดํารงมั่นแห่งทัศธรรมเพื่ออนุเคราะห์พระวินยัยเนี่ยนะอันด้วยอํานาจประโยชน์สิบประการพระองค์จึงบัญญัติสิกขาบทขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่หยุดอยู่แค่ศีลอย่างเดียวเนี่ยนะอำนาจประโยชน์10ประการเนี่ยนะ แต่อย่างข้อสําคัญก็คืออย่างแต่ละข้อที่พระองค์บัญญัติเนี่ยนะเนื่องจากว่าถ้าไม่บัญญัติสิขาบทส่วนนี้นะดีไม่ดีชาวบ้านก็ไม่ใส่บาตรเลยซไปเพราะชาวบ้านเขาไม่ชอบพระพิสูจต้องไปเป็นเหมือนเขาเนี่ยนะนั่นนะเพราะหลายๆสิขาบทนะเกิดจากชาวบ้านเขาโวยวายอะ่ะจึงก็เลยอ้าวพระพิสูุห้ามสิขาบทนี้ห้ามเช่ น, นเขาถือว่าอ่าพระพิสูจใส่หมวกเหมือนเขาอ่ะนะเขาก็ไม่ชอบ บอกทำไมไปทำเหมือนเขาอ่ะนะอตอหลังผมก็บัญยัิซึ่งจริงๆแล้วมัน ญ, ญาติของพระภิกษุควรเป็นอย่างนั้นด้วยนะแต่ว่าตอนแรกยังไม่บัญยัิเราเขาวอยๆก่อนแล้วค่อยบัญยัิเนี่ยนะ <c oughs> เ, เดี๋ยวไปเรื่องอื่นทั้งหมดเลยเยกิศีลและไม่ยาญาเนี่นน <c oughs> สา ย, า ย, ายาสำคัญนะเป็นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ในาศาสนานี้ด้วยนะศีลนี้ต่อไปว่าผู้ที่มีศีล ก็ศีลเนี่ยเพื่อเป็นบาทรองรับคุณธรรมชั้นสูงใช่ไหมผู้ที่มีศีลดีนะอย่าลืมว่าไม่ลำบากทางทางความคิดนะไม่ค่อยเดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นศีลจะนามาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจแล้วก็เวลาเราไม่สบายใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะพบทวนได้เลยว่าไม่ใช่มาจากศีลศีลเราบกพร่องเราจึงเดือดร้อนใจในเรื่องนั้นๆนเนี่ยนะทีนี้ข้อต่อไป ผู้มีศีลดีก็ทำให้จิตตั้งมั่นใช่ไหมทีนี้จิตตั้งมั่นก็แบ่งเป็นจิตระดับอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิผู้ที่มีปัญญาที่จะเจริญสมาธิเหล่านี้ทำให้สมาธิดำรงมั่นอยู่ได้อันนี้เป็นสมาธิภาวนามยญาณพื้นฐานว่ากายวาจาก็ดีแล้วสภาพจิตก็ดำรงมั่นเอาไปทำอะไรต่อไปความสงบเหล่านี้เพื่อ รู้เห็นตามเป็นจริงรู้เห็นอะไรนะว่างๆนะเราน่าจะแบบถ้าสบายใจเมื่อไหร่ละเราเคยนั่งคิดตัวเองนะเออไอ้ความแก่กับความตายอันนี้มาจากไหนเนาะเคยคิดบ้างไหมที่มาแก่ๆอยู่ทุกวันเนี่ยมาจากไหนโอ้มาจากเกิดแน่นอนเกิดมาจากไหนมาจากกรรมนะนะกรรมมาจากไหนมาจากไหนกรรมมาจากอืม ชักแย่แล้วนะลืมถามซ้อมก็หลายวันแล้วก็ลืมเลยกรรมมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากไหนการหาการหามาจากไหนเวทนาเวทนามาจากไหนภะทศทศมาจากสลายตนะส ล, ตนะสลายตนะมาจากนามรูปนามรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากอภิชาเนี่ยนะ แล้วก็ด้วยประการนี้โอ้ชีวิตในวัฏฏะมันเป็นไปอย่างนี้นะด้วยประการดังนี้แล้ววิชาจึงเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายยตนะสรุปเบ็ดเสร็จจนมานั่งแก่อยู่เนี่ยอ่นะหลังจากแก่แล้วอะไรอีกตาจบเลยไม่จบ <c oughs> ก็เกิดใหม่ใช่ไหมทมําไมเนอะจึงเกิดอีกนะกันก็เสาวไปอย่างเงี้ยเลยอ่า คนที่มีจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะมาให้ครวญชีวิตเกี่ยวกับเรื่องความเกิดความตายเนี่ยแหละอันนี้แหละเรียกว่าปัจจะยะปริกหายานหรือทำมาธิติยานเพราะธทำมาธิติยานก็คือการเอาเป็นเอาตายเอาเกิดเอาตายเนี่ยแหละมาคิดทําไมมันจึงเกิดทํำไมเกิดแล้วทำไมจึงแก่แก่แล้วทำไมจึงตายตายแล้วจะเกิดที่ไหนเนี่ยนะก็พื้นฐานอันนี้เอามาให้ครวญเอามาคิดพิจารณาจําเป็นอย่างดีพอคิดไปคิดมามีสาระอะไรบ้างการเกิดเนี่ยเดี๋ยนะ เพราะนั้นสรุปแล้วว่าเออเนี่ยจากทำกรรมแล้วมาเกิดเกิดแล้วมาทํากรรมกรรมแล้วไปเกิดเกิดแล้วก็ทํากรรมกรรมแล้วไปเกิดวนอยู่อย่างนี้เ น, นี่ยดียังไงเพราะฉะนั้นก็ยอ่อทั้งชีวิตทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันมาโดยย่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเพราะมันสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะมันน้ากลัวเป็นอนัตตามันไม่มีสาระอันนั้นเป็นสัมมาชนญาณใช่ไหมคือประมวลว่าโอ้ชีวิตในเวตามมีสาระอะไรสักอย่าง นี่นะถึงบอกว่าเอาแบบภรตาราบุตรท่านว่านะเคยพาไปเกิดเป็นพรหมก็เกิดมาแลว้วนรกก็เกิดมาแลว้วมนุษย์ก็เกิดแล้วจิตเอ้ยจะพาไปเกิดที่ไหนอีกนาะเหมืนนะีจะพาไปเกิดไหนนกักเหมือนนั้นก็บอกว่าพอแล้วน ะ, ะอันนี้ก็คือน้อมไปเพื่อจะเลิกเกิดแล้วนะอันนี้ก็คือเห็นความไม่เป็นสาระของความเป็นภายในวะตตไอ้ดังกล่าวนี่แหละเป็นสัมมาสนาญาณ คือเหตุผลหลายประการที่ไม่สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัพเพเนี่ยนะก็คือเขาจึงมีคําถามว่าวิชากับวิมุตต์ก็มีอุปนิสัยเนี่ยนะเราไม่กล่าวว่าไม่มีอุปนิสัยเนี่ยนะถามว่าอะไรเป็นอุปนิสัยแห่งวิชาและวิมุตต์นะธรรมที่อิงอาศัยแห่งวิชาและวิมุตต์คือโพชฌงโพชฌงเป็นที่อิงอาศัย แล้วพ่อชงเนี่ยมีอะไรเป็นที่อิงอาศัยมีสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็มีที่อิงอาศัยอะไรอะไรนีสุจิริสามสุจริสามก็มีที่อิงอาศัยก็คืออินทรียสังวรอินทรียสังวรก็มีที่อาศัยคือสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะก็มีที่อิงอาศัยคืโยนิโสมนัสการโยนิโสมนัิการก็มีที่อิงอาศัยศรัทธาที่บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ก็มีที่อิงอาศัย ก็คือฟังพระสัจธรรมการฟังพระสัจธรรมก็มีที่อิงอาศัยครบสัตว์บุรุษการครบสัตว์บุรุษก็มีที่อิงอาศัยปฏิรูปประเทศการอยู่ในปฏิรูปประเทศก็มีที่อิงอาศัยบุญเก่าแปลง่ายๆว่าปุเพกะตปุญญาตาบุญเก่าบุญเก่าก็ยังมีที่อิงอาศัยอีกก็การอัตตะสัมมาปณิที่เป็นต้นในอดีตนั่นแหละนะ ปัจจัยมันเยอะขนาดนี้นะมันจะเป็นง่ายอะไรขนาดนั้นการตั้งการตั้งใจการสมาทานการอธิษฐานเนี่ยมีวิธีเดียวถ้าถ้าคนจะถามมาต่มาแล้วก็ลักษณะตอบส่วนตัวนะตอบแบบส่วนตัวเลยถ้าเราเราจะทำยังไงที่จะเป็นอุปนิสัยให้ให้ใกล้ชิดมรรคผลนิพพานตรัสรู้ได้ได้ดีที่สุดที่ไม่มีวิธีอื่นเลย ก็บอกว่าวันหนึ่งให้น้อมใจไปตามนั้นให้มากๆเนี่ยนะน้อมใจไปหาพระรัตนตรัยให้มากๆน้อมใจไปหาพระพุทธพระเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรเนี่ยนะให้มากๆน้อมใจว่าพระธรรมคาสอนดียังไงประเสริฐยังไงคําสอนนําออกจากทุกยังไงพระสงค์ท่านปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้อย่างไรเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะตรงนี้ต้องน้อมให้มากๆนะน้อมเพื่อจะอบรมสัตตินีน้อมเพื่อจะอบรมสมาธินีตัณยินีเป็นต้น น, นะ ถ้าว่าในหนึ่งก็คือน้อมไปเพื่อจะขอตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องน้อมจิตไปอย่างนี้อย่างเดียวถ้าไม่น้อมไปตามลักษณะนี้นะยังนึกไม่ออกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไงนึช่องทางไม่ออกเลยนะในบรรดาหมู่สัตว์ที่หาประมาณไม่ได้ในบรรดาจักรวาลที่หาที่สุดไม่ได้ในนั้นนะจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาสักองคหนึ่งนานกว่าเราจะได้เป็นมนุษย์สักทีหนึ่งเนี่ยนะนะเป็นมนุษย์แล้วนาะก็จะได้ฟังธรรมสักรอบหนึ่งนะ โยมคนหนึ่งยังเล่านะของมาจะสังเวชใจทุกวันเลยเนี่ยผมเกิดมาเนี่ยจานห้าสิบปีผมเพิ่งฟังธรรมนี่แหละเขาว่ากันอนะันนั้นเขาว่างันเลยไม่ใช่ที่นี่นะที่อื่นอันนะัเล่าโอโ้โหมันมันขนาดนี้เลยหรอขอ ม, มาก็เลยที่มาของบอกว่าทำบุญครั้งหนึ่งนะขอขอให้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้านะให้มีอัยธยาศัยไว้อย่างนี้ว่างหรือไม่ไหวพระาธาตุก็ไปไหว้พระาธาตุพระองค์ตรัสรู้ใดแล้วพระองค์พ้นทุกข์ ขอบุญที่ข้าพาเจ้าเคารพนบ น, อนอ้อมพระองค์นี้จงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ตามพระ อ, องค์ด้วยเถอดเนี่ยนะก็ถ้าจะแนะนำนะแนะ น, นําได้อย่างนี้ถ้าจะขอยิ่งกว่านี้อันนี้ง่ายมากแต่ว่าทํายากก็บอกคุณจําคําสอนไว้อย่างเดยวแล้วคุณไปคิดตามให้ได้เนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างว่าสีอัสสุตตะมิยะยานสีลามิยะยานภาวนา สมาธิภาวนามยญาณธรรมะติติญาณปจัจสัมมาสนาญาณอุทยพย า, ยานพังขยานหรือที่เรียกว่าวิปัสนาญาณอาทีนวายานนิพิธายานเป็นต้นเนี่ยถ้าจะเจริญเลยเนี่ยจำหลักสูตรนั้นให้ได้ทั้งหมดแล้วเอามาส่งเคราะห์ลงในชีวิตที่เป็นจริงให้ได้เนี่ยนะ